เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หกวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดสัมมารกรรมันตะการถือศีลห้าให้บริสุทธิ์นับว่าครอบคลุมทั้งองค์คือสัมมาวาจาข้างต้นรวมทั้งสัมมารกรรมันตะในข้อนี้ด้วยแล้วเพราะส่วนของการกระทำชอบมุ่งเอาเพียงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาม่ได้ให้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 แม้แต่สมบัติของตนยังอยากแจกจ่ายให้เป็นสาธารณกุศลขอเหลือเพียงผ้าห่อพันกายกันอุจจาดจะกล่าวไปใหญ่ถึงความโลภคิดเลงเอาของผู้อื่นมาเป็นสมบัติตนสำรวจอีกก็พบว่าแม้แต่ตรึกนึกทางกามให้เกิดปฏิกิริยาให้ราคะรั่วรถกายใจฉันก็ปัดตกไปด้วยอสุภะสัญญาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้จะกล่าวไปใหญ่